ขี้เกียจตรงนี้เรามันชีก้กระพอยมันชี้ไปนะเรียว่าขี้เกียจขี้เกียจ้วไม่ได้ผลนะบางทีอต้นไม้เราปรับจำลงไปแล้วต้นไม้มันล้มลงมาทับต้นข้าวเราตรงนี้ก็ต้องข ย, ยันทาํามันดืดไม่ได้แล้วเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเฉพาะเนาะ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 เอาหน้าไม้นันวางโครงก่อนเลยมาปักตั้แบบนี้แต่ขี้มือนี่ญาติหลวงพ่ อ, อพ่อกำนันเป็นน้องน้องพ่อของแม่หลวงพ่อไม่ค่อยทำไค่อยทานาให้โมลูกๆทำนาเดินไ ป, ไป น, น่ขี้ไปตรงนั้นขี้ไปตรงนี้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 เออไม่อะไรนะ้อเสียหายเะรอยงนะ้อไปเดินไปหนมันวิ่งแล้วนะศรัทธาเนี่ยโอ้ยมันมนแรงนะเหมือนผู้ที่ปลาลูกความเพียรเนี่ยนะก็จ่องอยู่สเสมอโดนะยเฉพาะการปฏิบัติทมความเพียรการเจริญสติมันไม่ไกลเหมือนกับทำนาด้วยมันอยู่กับเราจริงๆ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 มันหน้าภาคภูมิใจเวลาเรารลบวมเพียรเวลาเราเจริญสติมันก็ได้มักได้ผลเ ป, เป็นกรบเป็นกรมไปเรืเ่อยๆไปนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปอ้างโน่นอ้างนี่รอ น, รอนโน่นลอนี่ไม่มีเลยอยู่กับเราอยู่กับเราสิทธิหน้าที่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 อะไรที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาคอยชงเอ๋ยชง อ, อ้อมันก็ไม่ได้ต้องช่วยตัวเองก่อนอความผิดเป็นครูความรู้เป็นตาความชั่วเป็นตีชั่วดีเป็นตาอะไรทัานว่าไว้เราก็เห็นเราเองเห็นเาเองเห็นเราเอ ง, เ, เ, เ, องเวลาเราปาราลบความเพียดนะไม่มีตรงไหนนี่ลับหรถ้าว่ากินเลทมัน ้ายจริงๆมันก็โง่โง่มันไม่ฉลาดอะไรหรอกมาแบบโง่โง่เห็นสันหลังมันอยู่ไม่รับไม่รีแล้วมันก็ไม่มีสตราอาวุธอะไรแต่เราดูมันจริงๆทำย่อมชนะอนธรรมอธรรมคือกิเลสธรรมคือปัญญาสติปัญญานะมันมาโง่โง่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 ยังมีพลังน้อยๆใหม่ๆฝึกใหม่ๆพอเทีมก็ลากไปถึงความคิดที่มันคลุกเข้าไปด้วยอารมณ์เปรอะเปื่อนอะไรมาเทียมก็มากเลยก็ลากเราไปที่เกิดยามหอบเสือหอบหมอนหอบกระเป๋ากลับบ้านเลยในวันเกินมันมันมันมันหนักเหนกันเหมืนสมัยงานมาแล้วหลวงพ่ออยู่วัดป่าสุขโตเนี่ย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 ว่าเอาหอยามาสูบอุย้ยทีนี่เขาไปสูบยานะไปสูบยาเนี่ยที่นี่เขาไม่สูบบนะุหรี่นนะแล้วพ่อก็ลูกไปเอาพอเพราะว่าเขาหอยามาสูบลูกไปเอาเสือเสือก็กอไว้ก็สอดไว้กับกับต่อมกับเชือกแล้วเอาเสือมาจะปูให้เขานั่งพอก็ เอาเสือพูไปงูเขียวงูเขียวมันอยู่ในเสือพูเขาหาว่อหลงพอ่อนเอา ง, งูไปใส่เขาโอ้ยทําไมางูมาใส่ล่นะเราคุยกันไปคุยกันมาผมไปเล่นบ้านโยมจังหน่อยกันน่อยไปบ้านพ่อข่วงค่ําแล้วก็ยังไม่มาก็ตามไปดูโอ้จุด ดองกอไฟนอนอยู่ใต้เล่าโยมหลดไปเรียกมาก็ไม่มาเพียงบุหรีเนี่ยเพียงไม่ให้สู่บุหรีเนี่ยอ่อยกันใหญ่เลยเนี่ยมันลากไปน ะ, ะแต่แรกก็ตั้งใจจะมาจูด้วยพอท่วงนิดเดียวอที่นี่ไม่สู่บุรีอ่อยกันเลยนะไม่ไม่เอาเลยพมันมันก็ลากไปได้สติยังไม่มี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 เรีว่าปัญญาขนส่งนะ้าไปอดโตตัวตัวเนี่ยไม่ได้เหมือน <c oughs> ไปอยู่คอนเจิรเขาน้องชายติดเฮโรอีนมาให้ก็ก็ตรวจกระเป๋าได้เฮโรอีน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 เร า, าก้มดูเราจับปัดข้าเราสองคนอ้จะเสร็จไหมเนอวันนี้เนอะดูกำลังคนกับดูงานนาที่เราคาดเราไถ่าไว้จะเสร็จไหมเน้อะจะเสร็จไหมเนอะจะไหวหรือจะไหวหรือเนี่ยไม่ได้นะถ้าไปคิยียดแบบนั้นเอาจะไปคิดแบบนั้นไม่ต้องดูมันปักลงไปปักลงไปปักลงไปปักลงไปขอให้เร่งปักเอาปักเอาปักเอาปักโอ๊ยมันเสร็จเมื่อไรไม่รู้นะ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 ไม่พูดด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยการกระทาที่ได้ทำมาอย่างนี้แล้วก็อยากสอนคนให้ทำแบบนี้ล้วก็สอนแบบนี้แล้วเื่นไม่สอนแล้วหยุดแล้วไม่สอนจริงๆแบบอื่นไม่สอนจริงๆไอสอนไหนก็ตามต้องสอนแบบนี้อ่าสอนในประเทศไทยก็สอนแบบนี้สอนต่างประเทศก็สอนแบบนี้เพราะว่าเนี่ยมันมันเหมาะสมที่สุดเลยทุกเพศทุกวัย